นี่ก็เป็นโอกาสที่เราได้มาภาวนาปฏิบัติธรรมก็การภาวนาก็เป็นวิธีของการปฏิบัติธรรม เช่นการปฏิบัติธรรมก็มีหลากหลายของการปฏิบัติไม่ว่าการเจริญสติพิติพิจารณาทำอยู่เสมอหรือว่าการ <c oughs> มั่นจำระจิตให้ข่าวรอบ การรุนแต่เป็นวิธีของผู้ปฏิบัติแต่ว่าพอสรุปก็คือการปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ในที่สุดของการเวียนว่ายตายเกิด ฉะนั้นไม่ว่าใครที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็ยังต้องปฏิบัติชาตินี้บางคนก็ไม่ได้ปฏิบัติเลยไม่เคยได้น้อมพระสัทธรรมเข้ามาไม่เคย สมทานรักษาศรีนและก็ไม่รู้จักการชำระ จ, จิตของตนเองเพื่อละกิเลสในกองทุกน้อยใหญ่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็เหมือนกับบุคคลที่ยังตกน้ำ ยังวหาหาฝั่งอยู่บางคนก็ยังอีกไกลาจากฝั่งบางคนก็เข้าใกล้ฝั่งก็สุดแล้วแต่บุญบารมีของผู้ที่เกิดได้บาเพ็ญมากน้อยเพียงไหน การปฏิบัติเราทุกคนก็มีจุดมุ่งหมายทำยังไงให้เกิดปัญญาอันรู้แจ้งปัญญายานจนถึงปัญญาอันวิมุตตหลุดพ้นจากสาสวะน้อยใหญ่ นี่คือจุดสำคัญอย่างการภาวนานเนี่ยผู้ใหม่บางท่านบางคนก็เวียนว่ายตายเกิดมานานก็หมวดแต่เพลิดเพลินอยู่ในกองกรรมจนถึงชะตาชีวิตกรรมวิบากบีบคั้นมากจนเห็นทุกข์ โดนสภาพทุกข์นี่บีบคั้นมากจนต้องสแสวงหาหนทางออกจากทุกข์นี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการปฏิบัติธรรมส่วนบางคนก็มีจิตอันเคยปฏิบัติภาวนามาแล้วแต่ปางก่อน มีจิตอันเมตตามีจิตอันใฝ่ธรรมะเกิดมาก็ยินดีในการศึกษาธรรมเพราะรู้ว่าจิตที่มีธรรมะก็จะมีความสุขสงบร่มเย็นเกิดมาก็ยินดีต่อ การแสวงหาธรรมะก็มีหลากหลายแต่ในที่สุดสรรพสิ่งที่มีชีวิตสุดท้ายก็ต้องเดินมาสู่หขนทางของพุทธธรรมทั้งนั้นไม่ว่าใคร วันนี้บุคคลนี้ยังไม่ฟังธรรมะยังพูดธรรมะไม่รู้เรื่องยังมัวแต่ลุ่มหลงอยู่แต่วันหนึ่งสรรพสิ่งที่มีชีวิตล้วนแต่ทนสภาพทุกข์ไม่ได้แล้วก็เกลียดทุกข์ในที่สุด ก็ต้องกลับมาสู่หนทางของพระอริยะผู้สงบจากทุกข์จนถึงผู้พ้นทุกข์ได้แล้วก็หลายคนก็ไม่คาดคิดว่าชีวิตที่ผ่านมาจนถึงวันนี้บางคนก็ได้พลิกผันตัวเอง หน้ามือเป็นหลังมือจนรู้สึกว่าเราได้พบทางสว่างเราได้เดินถูกทางถ้าไม่อย่างนั้นก็วนต่อวกวนเวียน แล้วก็ไม่รู้ว่าเดินไปไหนสุดท้ายก็กลับมาที่เดิมเหมือนคนหลงป่าคนหลงทางคนหลงชีวิตสุดท้ายที่สุดก็ได้แค่คำว่าเห็นแก่ตัวแต่ไม่เคยเห็นตัวแก่ เห็นแต่ได้ไม่เคยรู้จักเสียสละพูดแต่เอาดีตนเองแต่ไม่เคยทำดีในที่สุดล้มเหลวทางจิตวิญญาณนี่คือการสูญเสียของสรรพสิ่งที่มีชีวิต อันมีจิตวิญญาณถ้าสูญเสียเรื่องจิตวิญญาณแล้วนะหมดทุกอย่างยมดูคนที่สติเสียหรือคนบ้าชีวิตถ้าอยู่สภาพตรงนั้นเหมือนกับอยู่ไปวันๆหนึ่ง คุณค่ามันก็ไม่เกิดอะไรถึงบอกเออองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคในที่สุดพระองค์ก็พบทางออกที่ทรงบำเพ็ญมาไม่รู้อนเนกอนันตชาติและก็รู้ว่า ชีวิตสัตว์มนุษย์ล้วนถูกเหยื่อหลอกแล้วพอติดเหยื่องับเหยื่อกระตกเป็นเหยื่อของเหยื่ออีกครั้งหนึ่งโยมเคยติดเหยื่อเคยงับเหยื่อแล้วก็ตกเป็นเหยื่อ การภาวนาพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอใครสามารถสัมผัสจิตใจได้สัมผัสความรู้สึกดีชั่วได้สัมผัสบุญกุศลได้เนี่ย อาตมาว่าจิตสติตรงนั้นเนี่ยมีความละเอียดปราณีตขึ้นเมื่อก่อนอาตมาไม่รู้คำว่าบุญรุ่นพ่อรุ่นแม่ปู่ย่ายายที่เขาพูดกันเรื่องบุญบาปอาตมาฟังก็เฉยเฉยไม่รู้สึก แต่พอเราเริ่มเข้าใจอะไรขึ้นและยิ่งได้มาปฏิบัติภาวนานยมเชื่อไหมว่าเราสามารถสัมผัสได้บุญบาปดีชั่วปิดถูกนรกสวรรัสด์ฉะนั้นคนที่ยังหยาบ ไม่เข้าใจมีหลายคนก็ถามว่าบุญมีจริงหรือไหนเอามาให้ดูหน่อยนรกมีจริงหรือไหนพาไปดูหน่อยแน่ยมน่าคำนี้จะมาไม่เคยพูดเลยเคย เมื่อก่อนพระเขาพูดว่าเปรตไปกินของวัดขโมยมะพระา้าวขโมยมะม่วงวัดเปรตเปรตเขาว่าหิวแต่เปรตรออิ่มไว้เปรตมีบุญเห็นไหคนผ่านโยมมันก็แก้ไ ด, ด้หดหมดแต่ว่าพอเรา จิตที่เริ่มละเอียดเราได้อบรมศีลอบรมสามาธิอบรมจิตเจริญสติบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าโยมเชื่อไหมว่าจิตเราก็เหมือนกระจกใสถ้าเราไม่รู้จักปัดจักเช็ดจัถูเนี่ยนะ ยมคิดดัว่าทุรีเนี่ยมันมากแค่ไหนที่เกาะยึดอยู่กับจิตของเราเนี่ยไม่รู้ว่ากี่พบกี่ชาติกี่ปีที่เกิดมาแล้วก็ไม่เคยได้ปัดเช็ดถูเลยเรามองไม่เห็นจริงๆนะไม่เห็น แต่พอรู้เข้ามาเริ่มปัดเป่าเช็ดถูขัดพอเริ่มเห็นความใสความสะอาดถึงเนื้อกระจกในมันมองเห็นอย่างน้อยก็คือเห็นหน้าตัวเองที่กำลังขัดอยู่ก่อน ฉะนั้นการปฏิบัติตมาจึงรู้ว่าอ๋อภาวนาในจุดเริ่มต้นสิ่งที่รู้คือรู้จิตภายในจิตของตัวเองก่อนต้องรู้ก่อนมันสะท้อนย้อนมองเห็นหมดเลยอดีตเป็นยังไงะระลึกได้ปัจจุบันทำอะไรรู้เห็น อนาคตมาไม่ถึงสามารถมองไปได้ทำอย่างนี้ก็จะเกิดจะเป็นยังไงเราพอที่จะมีแสงสว่างนำทางไปก่อนไม่ใช่เดินแบบมืดมืดมัวมัวไปตกเหวตายไม่รู้ไม่ได้ไม่ได้ชีวิตมันไม่ใช่ป็นเรื่องต้องมาทดลองบางอย่างไม่ต้องทดลองก็รู้อยู่ มาลองผิดลองถูกไม่ใช่บางอย่างก็ลองไม่ได้พอเราขัดไปเช็ดไปถูไปฉะนั้นผู้ภาวนาะจะบอกว่าบริกรรมด้วยองค์ภาวนาว่าหายใจเข้าพุทธออกโทก็ตามสั้นก็ดียาวก็ดีก็สุดแล้วแต่ลมหายใจแต่ละคนน่ไม่เท่ากัน ไม่ใช่เป็นกฎเกณฑ์ตายตัวนะผิด ธ, ธรรมชาติร้อยคนทําให้เหมือนร้อยคนไม่ใช่ไม่ใช่ความแข็งแรงระบบร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนหายใจและยิ่งเฉพาะการภาวนาต้องไม่บีบไม่บังคับธรรมชาติต้องอิงให้มากที่สุดอย่างภาวนาวการดูลม ทำไมพระุทธเจ้าสอนให้เจริญอาณาปานสติก็เพราะลมหายใจก็เป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วในร่างกายหนึ่งในสีของธาตุขันธ์ที่อาศัยอยู่หายใจเข้าแบบไหนที่หายใจแบบสบายพอดีและอิสระเพียงแต่ทำความรู้สึก ให้มีสมาธิจดจ่อจดจ้องหรือเป็นหนึ่งเดียวแต่อย่าบีบนะทำไปดูลมไปเข้ารู้ออกรู้กำหนดตรงไหนก็ได้ทำความรู้สึกตรงไหนก็ได้เพราะนี่คือวิธีการทำสมาธิแต่สมาธิที่เกิดคือใจที่สงบลงแล้ว พอถึงจุดหนึ่งเนะี่ยเหมือนก็บอกว่าคุณทานแล้วจะอิ่มเราก็ทานใหญ่เลยกินเข้าไปกินเข้าไปแล้วยมรู้ไหมคำว่าพอมันอยู่ตรงไหนอิ่มมันอยู่ตรงไหนฉะนั้นผู้ภาวนาจะต้องรู้เอง ถ้าไม่รู้จุดเล็กๆแค่นี้อย่าคิดเลยว่าปัญญาโยมจะไปเห็นแมวที่ซ่อนอยู่ในความมืดแมวดำนะพอมันหลับตาโยมมองไม่เห็นนะมันมืดไปด้วยกันหมดไม่มีสิทธิ์เห็นฉะนั้นการภาวนาะตรรมาก็ เอาทุกรูปแบบนะฝึกดูลมกำหนดพุดโทโธภาวนาหลายรูปแบบบางวันก็ดีบางวันก็อึดอัดบางวันก็มันไม่คงที่เอายังไงดีเอาองค์ภาวนามาหลายๆองค์มาทดลองโยมรู้มากกว่าจะเป็นยาต้นไม้ทุกชนิดนะ่ถูก วิจัยก่อนถูกทดสอบแล้วก็ถูกบันทึกว่าเออมาชิดนี้มีสรรพคุณอะไรแล้วกสกัดมาเป็นยาหรือเอามาต้มเป็นยาการภาวนาถ้าไม่เข้าใจเหมือนทําตามๆกันเช่นโยมรู้มว่าอิ่มตอนไหน อาตอมาจะนั่งดูที่ว่าเออวันนี้ดูลมสบายใจเริ่มสงบพอสงบสติกำหนดอยู่ว่าจิตสงบพอสักพักหนึ่งโยมเช่อหมความสงบแท้จริงมันเป็นอิสระ ไม่ใช่ต้องอาลมหายใจมาบังคับแล้วก็ต้องดูลมอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่เพียงแต่เป็นจุดเริ่มเป็นจุดเริ่มเหมือนการฉุดกังหั น, นพอลมมาทีแรกก่อนก็พอมันหมุนแล้วทีนี้สบายแล้วพอลมมานิดหน่อยมันก็หมุนได้สบาย จิตก็เหมือนกันพอเรากำหนดดูลงพอกำหนดได้ถูกหลักถูกวิธีที่เองภาวนามันจะรู้สึกสบายพอจิตรู้สึกมันธาตุขันมันสบายภาวนาถูกจุดสติกำหนดได้แ ล, ล้วเรื่ก็รู้มันก็ค่อยนิ่งนิ่งนิ่งนิ่ง นิ่งจนเกิดพละมีกำลังเกิดเป็นจิตที่มีสมาธิเกิดขึ้นก็คือจิตรวมเป็นหนึ่งเดียวอาจจะอาศัยลมหายใจอยู่ในช่วงแรกๆแต่พอเรานั่งนานนั่งไปผ่านไปสี่ห้าหด้าชั่วโมงบางทีลมหายใจที่มันดับเงียบ ไปเบาหายไปโยมไม่ต้องไปตามมาลมหายใจมีไม่มีอยู่ไม่อยู่ชัดจะตายหรือไม่อย่าไปสนใจให้มีสติวางนิ่งเฉยดูจิตสงบก็รู้อยู่ว่าสงบเฉยๆไม่ติดความสงบแต่รู้ว่าได้รถแห่งจิตตาวิเวก าบางคนพอได้ธรรมะข้อเดียวเกิดธรรมวิเวกพอฟังธรรมะคําเดียวโอ้ใจโดนใจสงบนิ่งอยู่กับธรรมะเพียงคําเดียวนะ่ะเป็นโดนใจก็เรียกนะั่ธรรมวิเวกเกิดได้รสแห่งธรรมพอฟังปุ๊บมันซานมันซาบซึ้งเข้าไปในจิตใจมันซึมซับเข้าไปนั่นแสดงว่าจิตรับรู้ธรรม โยมเคยไม่ฟังธรรมมันโดนใจคำนี้ปุ๊บแมมันดีจังมันใช่เลยใจใจมันรับเลยบอกใช่แล้วก็นิ่งสงบไปเมื่อไหร่ไม่รู้ด้วยบางคนแต่นวิธีการภาวนาโยมต้องแยกนะแยกคนกินทุเรียนต้อง เปลือกในะเปลือกจะต้องปอกออกก่อนไม่ใช่ก็เอาปากงับกินเลยก็โถเลือดอาบเลยละ่ะทุเรียนจะกินโยมถ้าอย่างนั้นไม่ใช่กินทุเรียนงั้นก็ต้องปอกก่อนปอกออกกินกินเด่ดเนื้อมเมล็ดโยมก็ต้องพิจารณาว่าควรวางควร ทิงตรงไหนทิงบอกทุกอย่างมันต้องมีกรรมวิธีถึงบอกไม่ว่ากุ๊กทำอาหารหรือว่าช่างตีเหล็กตียังให้เหล็กเหนียวตีแบบไหนเหล็กมันเปราะหักง่ายถึงบอกว่าเขามีเคล็ดเห็นไหมบางในช่างบางคนก็ตีเหล็กนี่มีชื่อเสียงนะ ถ้าเหล็กจากอื่นมาช่างเหล็กตีไม่ดีพอมาจากร้านนีตีทนเจอตาไม่ไผ่ในฟันนี่ถ้าตีไม่ดีนะแข็งจนเปานะน่ยชุบฟันเนี่ยไม่ใช่บินนะไอ้เหล็กนั้นหักไปเลยนะแหว่งไปเลยแต่ถ้าเหลขข็กขนเหนียวดีนะโอ้โ อย่างดีก็ไปโดนหินก็เอาไปรับใหม่คมมาก็ฟันต่อมันมีวิธีฉาจารนจึงบอกเอ้การภาวนาท ร, รมาจึงบอกจะภาวนาแบบไหนองค์ภาวนาองค์ไหนถึงจะถูกสำนักไหนสอนถูกรูปแบบไหนมันแท้จริง ธรรมะแท้จริงไม่มีรูปลักษ์จำไว้ปัญญาก็ยังไม่เที่ยงไม่เที่ยงแต่สุดท้ายยมรัไหม่าการภาวนาที่เราพูดกันไม่ว่าเรื่องสมาธิเรื่องจิตแต่สุดท้ายถามว่าเรารักษาจิตได้ไหมรักษาแบบไหน เอาสมมติสมมติจิตโยมเหมือนกับดวงแก้วลูกหนึ่งทำอย่างไรรักษาดวงแก้วเนี่ยไม่ให้แตกไม่ให้ร้าวไม่ให้ฝุ่นเกาะต้องดูโยมก็ต้องรักษาให้ได้วิธีไหนก็ได้ แต่ต้องรักษาจิตให้ได้ไปบ้านหนึ่งเมืองหนึ่งไปที่หนึ่งทางหนึ่งมันไม่มีรูปแบบว่าชีวิตจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ตลอดจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัฏจักรของบัตรเรวก็ต้องเปลี่ยนแต่ทาอย่างไรเราสามารถรักษาจิตได้ไม่ให้ถูกขโมย ไม่ให้แตกไม่ให้ร้าวไม่สกปรกเราก็ต้องรักษาเหมือนกับธรรมะทำยังไงให้ใจของเราเนี่ยมีธรรมะเมตตาจาให้ขาดหายเห็นไหมขันติย่าให้ตกหล่นดูที เราจะต้องมีคุณธรรมตรงเนี้บารมีเราจะต้องฝึกอบรมจิตของเราแล้วเอาคุณธรรมเนี่ยมาเป็นเครื่องป้องกันอย่างนั้นจะมีขันติมีวิริยะมีสมาธิมีปัญญาเพื่ออะไรเพื่อรักษาพระพุทธเจ้าทำไมต้องบำเพ็ญบารมีสามสิบและจริงบอกว่าสำเร็จ พระองค์รักษาจิตได้ด้วยบารมีขันติวิริยะเห็นหมสมาธิปัญญาเมตตาสัจจะอธิษฐานและก็สุดแล้วแต่แต่ว่าสิ่งนั้นคือคุณธรรมฉะนั้นโยมที่ภาวนานจะต้องมีคุณธรรมบวาโยมรู้ไหมว่าตอนนี้จิตของเรามีสติระลึกถึงทำอะไรสติเราสามารถระลึกอะไรอยู่ สามารถเข้าฌานได้ไหมจิตตัวนี้เราสามารถสงบลงดิ่งลงสู่ฌานได้ไหมจิตของเรามีเมตตาไหมยมต้องพิจารณาถ้าไม่อย่างนั้นเหมือนเดินไป บอกไปหายาแต่ไม่รู้จักต้นยาเลยนั่งพิงอยู่ ก, บก็บอกไม่รู้อยู่ที่ไหนมันตอบเลยนะต้นไม้ต่อให้โยมไปถูมันมันก็ไม่ตอบถ้าโยมเข้าใจรู้จักก็เอาไปใช้ มีดก็อยู่กับมือแล้วโยมไม่รู้จักมันเองที่ตมาบอกเออตอนที่เคยเดินทุ ด, ดงอยู่โยมเชื่อไม่ตมาเพิ่งรู้จักคำว่าอิสระวันแรกนะในชีวิตยอยู่มาตั้งยี่สิบกว่าปีเพราะนั้นลงไปถางตาย รู้สึกจะเป็นทางชั ย, ยารู้สึกจะเป็นแถวจังหวัดสุรา ธ, ธานีเดินไปก็พอดีเข้าเป็นในดงสวนยางเดินไปเรื่อยเรื่อยเรื่อก็รู้สึกเหนื่อย มองขวามองซ้ายมองซ้ายมองขวาไม่มีใครอ่ะวางสัมภาระนั่งจิบน้ำนิดหน่อยมองอีกไม่มีใครลมตัวเอ็นลง ม, มองฟ้าไม่อายฟ้านอนอยู่กับดิน ไม่อายดินสบายกำหนดดูจิตตัวเองรู้สึกสบายไม่ได้แบกโลกนี้โลกหน้าไม่ได้แบกกายนี้ไม่ได้แบก จิตนี้ด้วยสบายหลับบอกเออคำว่าอิสระภาพมันหมายถึงว่าชีวิตของเราที่ไม่ยึดติดสิ่งใดตั้งหานี่คืออิสระภาพคนถ้าไม่เข้าใจหาให้ตายก็ไม่เจอ มีอยู่ก็หาไม่เจอเหมือนพอาะคาม้าโวกอยู่บนหัวถามไปทั่วหมดพาะขมาพ่ออยู่ไหนละโลกหาทั่วบ้านทั่วเมืองไม่เจอสุดท้ายพอคันหัวเกาดูเอออยู่บนหัวกต่ามาบอกเราได้อินสระชีวิตตอนไหนเนี่ยกระทบทวนดู เรารู้จักสละรู้จักวางรู้จักให้เราจรึงเข้าใจว่าเออเมื่อเราไม่ยึดมั่นหมายคำว่าอิสระมันก็อยู่ที่นี่แต่เมื่อไรถ้าเรามั่นหมาย ยิ่งมากเท่าไหร่ก็เพิ่มทุกเท่านั้นโยมดูเรือที่อยู่กลางน้ำ่ะมายกตัวอย่างให้ฟังโยมเอาสัมภาระใส่นึกว่าใส่มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีทรัพย์สมบัติมีเท่าไหร่ชื่อเสียงเกียรติไม่ไ้ขนเข้าไปสุดท้ายเรือมันหนักเกินมันแบกไม่ไหว มันก็จมลงชีวิตคนคนหนึ่งมันจะต่างอะไรกับเรือที่รับสิ่งที่มันมากเกินที่สุดชีวิตมันก็จมลงลงสู่ห้วงของความทุกข์ที่ไม่สามารถลอยขึ้นได้เพราะมันมากเกิน มากเกินใครว่าดีอยู่ไม่ดีธรรมาบอกเออได้อิสระสักครู่ก็ได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์เออก็นอนหลับฝั่งเขาคงไม่เห็นเรานะพอเราหลีกออกจากทางนอน่ออมีธรรมชาติท้องฟ้าเป็นเพื่อนกา ย, ยามีพสุธาเป็นที่รองรับ ทรัพสมบัติของเราก็คือคุณธรรมสิ่งที่ชื่นฉับหัวใจก็คือใจที่สะอาดชีวิตมันจะมีมากกว่านี้มันก็คือเพียงแค่วัตถุร่างกายที่เราโถมไปหามันแต่คุณธรรมจิตใจเนี่ย สุดท้ายมันต้องการความสงบสุขความเป็นปกติและไม่ต้องไปแบกรับโลกนี้ทั้งใบที่เราจะต้องไปยึดถือมันชีวิตมันก็คือก้อนน้ำแข็งใช้ไปละลายไปถูกไมมอย ร่างกายชีวิตใช้ไปก็หมดไปมันก็ไม่ต่างอะไรในเมื่อรูว้ว่ามันไม่เที่ยงถามว่าจุดตะเกียงหาอะไรเริ่มต้นจุดตะเกียงเพื่อหาแสงสว่างก่อนแล้วจึงหาสิ่งที่อยากแก่ได้ อยากจะเห็นเช่นเริ่มต้นจากความเกิดยมอยากได้อะไรแล้วไปสู่วันที่จะตายยมต้องการอะไรยมไปดูคนก่อนตายถามว่าอยากได้อะไร ใจถ้าไม่สิ้นสุดมันก็ฉุดอยู่ไม่ได้ไปสู่พบน้อยใหญ่ด้วยความอยากอีกเห็นไหมยอาตมาบอกว่ามีชีวิตของคนคนหนึ่งต่อสู้ชีวิตมามากมายทั้งดีชั่วเลวสุดท้ายท่านได้บวช บวชหลายปีศึกษาธรรมะจนท่านได้เป็นเจ้าอาวาสท่านก็สร้างความดีวัดว่าอารามท่านก็บูรณะได้อย่างดีเยี่ยมจนสุดท้ายวันที่ท่านจะมรณาภาพท่านขอแค่อย่างเดียว ขอให้ก่อนสิ้นลมอย่าให้ตกใจอย่าให้สะดุง้งอย่าให้นิมิต ท, ที่ไม่ดีมาปรากฏท่านบอกต่อเทพธิดาเจ้าที่เจ้าทางในวัดตลอดถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านเคารพนับถือท่านจุดทูปกลางแจ้งแล้วก็บอกขอให้ท่าน ไปแบบสงบโยมฟังคำนี้ชีวิตทั้งชีวิตสุดท้ายท่านขอแค่ว่าให้จิตท่านสงบตอนจากโลกนี้ไปแต่มาว่าการขอนี้ไม่เยอะเลยเป็นการขอที่น้อยมากถ้าเทียบกับชีวิตมนุษย์ที่มีกิเลสตัณหา แต่ท่านขอเพียงคำว่าให้ท่านอย่าตกใจตอนที่สิ้นใจนิมิตสิ่งไม่งามชั่วร้ายต่างๆอย่ามาปรากฏในมโนทวารทั้งหลายขอเพียงว่าให้จิตท่านไปดีหรือสงบอยู่มาท่านขอน้อยไหม มากน้อยมากถือสันโดษจริงๆทําไมท่านขอรู้ไหมเพราะท่านเหตุกรรมวิบากที่ท่านได้ทําไว้ท่านจึงกลัวกลัวว่าจะไม่ได้ความสงบตอนที่จะไปถ้าไม่ได้กลัวกฎหมายตอนนั้นกฎหมายทําอะไรท่านไม่ได้แล้วมันเป็น ช่วโมงสุดท้ายของชีวิตแล้วท่านไม่กลัวบุคคลสัตว์ทั้งหลายแต่ท่านกลัวคำว่าผลกรรมวิบากนิมิตทั้งหลายที่จะมาปรากฏขึ้นไปสู่ภพของท่านถ้าเราฟังตรงนี้ดูเหมือนท่านขอไม่เยอะขอให้จิตท่านไปสุคติ แต่ถ้าพูดถึงกรรมวิบากตรงนั้นเขาบอกว่าขออย่างนี้มันมากไปให้ไม่ได้แต่สำหรับพวกเราฟังเราให้ได้นะโยมให้ท่านไปเถอะท่านจะไปแล้วขอแค่สงบไปดีท่านไม่ได้ขอเงินสักบาทเดียวไม่ได้ขออะไรเลยทุบเทียนนัานก็ไม่เอาไปด้วย แต่ผลแห่งกรรมบิบากเจ้ากรรมในเวรตามาบอกไม่ได้ว่าเขาจะให้จึงบอกเออณนะเวลานั้นตาะมารู้เลย ว, ว่าทำไมท่านจึงขอทางทางนี้ท่านเอกอเป็นพระทำไมท่านไม่ทำจิตเข้าสู่สมาธิมีสติ ด, ดำรงให้มั่นรวมจิตเป็นหนึ่งปล่อยวางทุกอย่าง ทำไมท่านไม่รู้รู้แต่อย่าเน็กนะว่าจะทำได้เพราะท่านรู้ว่าจิตของท่านภายในมันทำอะไรอยู่หรือเกิดอะไรมีอะไรเป็นอะไรอยู่ท่านรู้ไม่งั้นท่านไม่ขอท่านรู้แต่พวกเราไม่รู้ คุแม่โยมบางคนตอนจากไปนี้ดิ้นเป็นงัวเป็นควายเสียงร้องเป็นงัวเป็นหมูเป็นไก่ร้องนะอย่างนายโคคาดนี้คลานเลยนะร้องเป็นวัวในคลานโอ้ด้วยความทุกข์ทรมานเจ็บปวดเลือดนี่ไหลจากปาออกมาลิ้นขาด รอบบ้านครานร้องไม่นานก็ขาดใจตายกรับมันให้ผลจิตมันเห็นหลายคนจึงบอกเออเมื่อคนนี้ละเมอหรือว่าคนนี้ทำไมพูดอะไรที่มันแปลกๆกมันไม่เห็น แต่ธรรมาเคยประสบกับตัวเองคนที่กําลังจะสิ้นใจท่านั่งที่ตานี้หลับนะมือไขว้าก็าาาบอกมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมารับเขาแล้วก็บอกมาแล้วมาแล้วทุกคนมองไปตาเดียวเลยธรรมาก็ถูกนิมนต์ไปด้วยเป็นชนนําบท แถวขึ้นไปทางประจวบบ้านห้วยใครกริ่งไปตามพื้นเลยนะไม่ได้อยู่ด้วยอาการนิ่งสงบนะกลิ่งมือไม้ขาคอนี่กลิ่งปากบอกมาแล้วมาแล้วมือก็ข่อยกว่าแต่ตานี่หลับอยู่นะกลิ่งไปเลยมาแล้วมาแล้ ว, ม า, ล ว, ม, าลวมารับแล้วแล้วเวลาเสียงพูดจะเป็นเสียงที่ออกจากลําคอแหบแห้งมาแล้ว มแล้วเนี่ยมันเป็นเสียงเงี้ยแหบแห้งแล้วก็ตลอดทุกคนนี่หนาวมาเลยนายโยมญาติเพื่อนพี่น้องอยู่ใกล้กันชนบทเนี่ยพอรู้อะไรก็จะมามาดูแล ก, กันทุกคนเห็นแล้วก็เงียบแล้วก็เกิดความกลัวหมดเลยจะมาก็ไป ก็พอดีช่วยไว้ถัดเชื่อไม่ว่าพอฟื้นขึ้นพูดเหมือนกับว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคำแรกถามธตา ม, มาพอเสร็จแล้วตามาก็นั่งพอลืมตาพระคุณเจ้ามาทำไมถามมาทำไมธรมาก็ เกือบบอกแล้วว่าโยมจะตายตมาก็เลยมาเ้านิมนต์ ม, มาแต่ก็ไม่บอกบอกก็มาเยี่ยมโยมหันไปรอบแล้วทำไมมากันเยอะแยะไม่รู้ตัวน่ะก็อบอกโยมรับสีนห้าก่อนแล้วค่อยคุยกันเอาเย็นคุ้มครองซะก่อน สมาทานศีลด้วยก่อนอาจมาช่วยที่โยมพื้นมาได้ต้องช่วยคนมีศีลไม่ใช่ช่วยคนไม่มีศีลอาจมาช่วยผิดคนถนะ้างนั้นเกิดโยมไปสร้างกรรมทําเวรทำมารับไม่ไหวกันโยมมารับศีลดอก เ, เราช่วยคนมีศีลจะมาพ้นแล้วเคราะห์ตรงนี้เด้๋ยวก็ทําบุญ ก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นโยมเขาบอกว่ามีคนจะมาเอานุ่งจุงกระเบนแดงถ้าโยมเจอนี้ไม่รู้จะหลบได้ไหมเขานุ่งเป็นจุงกระเบนปั่นเกี่ยวนะล่ำใหญ่บึกสูงที่ว่าคนแปดสองนะอาจจะเกินด้วยตัวใหญ่ มาสามคนเขความสูงเนี่ยชั้นสองคอถึงหลังคาหัวนี่เลยหลังคาตรงกลมมองเขาบอกเขาจะมาเอาจะไปแล้วเมื่อกี้แล้วยอยู่เขาก็หายไปนี่ตัมมาประสบด้วยตัวเอง ก็เลยถามว่าลักษณะเขาเป็นยังไงเขาแต่งตัวยังไงมากี่คนแล้วสุนัข ก, ก็หอนดีเหลือเกินนะหอนอยู่นะั่นแหละมันเห็นผีมันหอนอยู่นะั่นมันคงมีตาในเห็นยังไงไม่รู้มันกลับเห็นหอนอนี่คือลักษณะของคนที่กําลังจะสิน้นแต่ถ้าตายตอนนั้นธรรมาบอกได้เลยว่าไม่ใช่สวัสด ฉะนั้นพวกเราที่ยังมีบุญมีอายุต้องรีบสร้างบารมีนะให้จิตของเรามีความสะอาดสว่างสงบยมต้องให้มีจิตที่สว่างสะอาดแล้วก็มีสมาธิจิตอันเป็นหนึ่งที่ไม่ฟุง้งซ่านแล้วก็จเจริญกุศลให้เยอะ สร้างบารมีไว้เป็นเกาะป้องกันถ้าโยมมีบุญกุศลโยมทำไปเรื่อยๆสิ่งชั่วร้ายวิญญาณดำทั้งหลายพูดผีเนี่ยไม่สามารถก่ำไกลเราไดนะ้จะมาทำร้ายเราไม่ได้เช่นโยมต้องรีบทำ อะไรก็ได้ที่คิดว่ามันเป็นกุศลเนี่ยอย่างเนี้ยเราอยู่ตรงนี้ไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตานี้กับบุญเนื้อเนื้อเนื้อนอว่าง ก, กวาดลานวัดกวาดสถานที่ห้องน้ำห้องท่าตรงไหนสกปรกเดินเสขยะมีเก็บมีจิตเมตตาอนุเคราะห์คิดดีกับผู้อื่น แล้วดวงตาสายตายมจะเปลี่ยนวาวในดวงตามันจะเปลี่ยนข อ, ของผู้มีเมตตากับไม่มีจะต่างกันแววแห่งความอาฆาตพยาบาทจะถูกลดลงจิตมันจะสว่างขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อเรื่อย เ, อยเอยืจนถึงบอกเทวดาเนี่ยเขามีรัศมีคนที่จะเป็นเทพเป็นเทวดาเนี่ยเขาจะเริ่มมีความสว่าง จิตใจเขาจะสว่างแล้วจะสะอาดเขาจะมีความรู้สึกสบายอารมณ์เขาจะดีสดชื่นแจม่มใสแต่พีกับคนที่มืดบอดดำเขาจะอึดอัดงุดหิดชุนเฉียวขวร้ายใครผิดกับตัวเองหน่อยเนี่ยโอ้เอาไปนอาตายเลยนะแต่ถ้าตัวเองผิดกับคนอื่นก็เป็นเรื่องธรรมดา ถ้าเขารู้จับได้ก็จะทำลายคนอื่นไม่ไดีนันโอกาสที่เราจะสร้างบุตรบารมีถึงบอกการภาวนาปฏิมาจึงถามว่าหลักคืออะไรหลักก็คือคุณแห่งบา ร, รมีความดีคุณแห่งความดีอะไรก็ได้โยมไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่น แล้วก็ทำประโยชน์มีจิตเมตตาเผื่อแผ่โดยเฉพาะยุ่มก็ต้องรักษาศีลให้ได้ก่อนต้องรักษาศีลถ้าเราไม่สามารถที่จ ะ, จะเจริญกุศลได้นะ ตรมาบอกเลยว่าจิตใจยมจะทำฌานก็ฌานยากมันยมไปทะเลาะ ก, กับใครมาไปเถียงกันมาวันนี้ทั้งวันเน่ยนั่งไปเถอะสองชั่วโมงเงนแตกกเบาจิตมันรวมไม่ได้กุศลมันไม่ก่อเกิดแต่ถ้าเราฝึกอย่างเี้ยเราทำเรื่อยๆนะจิตเมตตาเผื่อแผ่อบอ้อมอารีสร้างบารมีไป พื้นฐานแห่งความเมตตานั่นแหละคือการทำให้ฌานเกิดและสุดท้ายโยมสามารถบางทีพอจิตเรามีเมตตาดีจิตที่ดีแล้วอา น, นิสงส์งอาจจะเกิดจิตที่สามารถสัมผัสรู้จิตภายในจิตของตนเองและอาจจะรู้ของผู้อื่นด้วย ทำให้มองเห็นจ้ะจึงบอกเออตมาจึงบอกวันนี้เราได้พบคาว่าอิสระเรามีเมื่อไรบอกมีเมื่อจิตของเราไม่ยึดเหนื่อยก็ไม่ยึดไม่เหนื่อยก็ไม่ยึดสุขก็ไม่ยึดไม่สุขก็ไม่ยึดทุกข์ก็ไม่ยึดไม่ทุกข์ก็ไม่ยึด แต่ชีวิตมันมีทั้งสุขทั้งทุกข์ยมใช้ให้ครบเมนอาหารยมจะบอกชอบหวานยังก็ต้องใส่น้ําปลายังต้องใส่น้าส้มยังก็ต้องใส่พริกอย่างนั้นมันก็ไม่ครบรสมันก็ไม่ออกไม่บอกชอบหวานใสกินในน้ำตาลมันไม่ใช่ ต้องพิจรารณาแล้วเราจะเริ่มเข้าใจวรบออกต่อไปโยมจะรู้คุณธรรมใจเรามีเมตตารู้อภัยาทานมีทานน้ำใจ ม, มีสีลของเรามีเราเราจะรู้พอรู้เสร็จนั่นแหละคือวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง ไม่ใช่ว่าโยมสามารถพยายามนั่งทำสมาธิจิตพอเราสามารถนั่งทำชาแล้วโยมบอกฉันปฏิบัติได้ดีแล้วยังอีกอไกลยังอีกอไกลยังไม่ใช่มันจะต้องมีคุณธรรมเข้ามาเรื่อยๆจนเรารู้จิตเราจะเย็นมีความสุขสงบ เจอปัญหาหนักเบาเนี่ยเราสามารถมีสมาธิมีสติแล้วก็แก้ไขไปหรือบางอย่างบางโอกาสก็ต้องมีขันติก็ต้องฝึกไปเรื่อยเรยเรื่อยจนเรารู้ว่าเออเรามีขันติยมจะบอกเองนะตอนนี้เราฝึกขันติตอนนี้เรา ฝึกวิทยะบา ร, รมีตอนนี้เรามีสัจจะตอนนี้เรามีเจริญเมตตาอยู่ฉะนั้นคุณธรรมของการปฏิบัติโยมต้องสัมผัสให้ได้ว่าเราอยู่กับคุณธรรมอะไรคุณธรรมข้อไหนที่รักษาเราอยู่โยมต้องดู ดูไม่องนั้นเราก็ไม่รู้นั่งสมาธิอย่างมีพระบางองค์นั่งยิ่งกว่างูเลื้อยอีกมาเห็นแล้วก็เจ็บเจ็บตาแต่ว่าต้องต้องปล่อยวางไม่องั้นมันจะเจ็บเป็นหนองต้องปล่อยบอกร้อยครั้งก็ยังเหมือนเดิมเรียกว่าต้องปล่อยละกรรมวิบากท่านมีมีกรรมอย่าง เรายึดไปก็ทุกมีหน้าที่บอกเตือนสอนเมื่อบอกเตือนสอนแล้วก็เท่านี้มันก็ถือว่าก็เป็นกรรมท่านนะไม่ใช่กรรมเราถูกไหมโยมแต่ถ้าเรามานั่งกรรมอยู่มันก็เป็นกรรมเราเหมือนกันก็ต้องเออก็มองเป็นจุดเมตตาเออคงเป็นกรรมของท่านเนาะ ท่านก็พยายามแล้วนะครับลุกขึ้นเดินเดินพอนั่งเสร็จก็หัวทิ่มอีกละมันเป็นกรรมของท่านแต่ว่าถ้าท่านไม่สามารถแก้ได้กุศลที่เจริญมันก็ยากจิตที่จะเข้าสู่คุณธรรมขั้นสูงมันถูกขวางกั้นไว้ แล้จริงๆนะมันกั้นสติมันจ ะ, ะระลึกไม่ได้มันติงกั้นไงแต่ถ้าท่านะระลึกได้ท่านนาั่งท่านรู้นั่งก็คือรู้ก่กําหนดได้ภาวนากําหนดภายในจิตได้จิตสงบกายสงบมีสติตั้งอยู่รู้ แล้วก็ดูพิจารณายกทรรมขึ้นมาก็รู้ก็สุดแล้วแต่ก็ถึงบอกว่าท่านขอเพียงว่าความสงบนี้ท่านก็ขอว่าผมทำไงนั่งไม่ให้หลับท่านบอกท่านขอแค่นี้โยมเยอะไหม เจปีแล้วทําไม่ได้นั่งไม่ให้หลับลตัวเออมันเป็นเวนกรรมท่านท่านพยายามเลยอย่างถ้าพยายามแล้วยังเป็นอีกมันก็คงมีกรรมหรือภพภูมิของท่านที่ยังต้องใช้อยู่ก็ต้องแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้ข้าเจ้ากรรมในเวนและตัวเองก็ต้องหมั่นเจริญสติให้ยิ่งขึ้นไปอีกแต่ว่าถ้า ติดสุกรักสบายแล้วก็นั่งแล้วก็ปล่อยนะอย่างงี้ไม่ดีแล้วท่านเริ่มต้นก็คดแล้วมันงอตั้งแต่เริ่มปลูกแล้วมันไม่ใช่แล้วต้องฝึกก่อนฝึกให้ดีพอเราฝึกถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น มันเหมือนการขึ้นรูปอยู่ไหมถ้าขึ้นรูปที่ถูกต้องนะมันก็ออกมาดีแต่ถ้าเราขึ้นรูปไม่ถูกมันก็ไม่ใช่บอกกายตั้งตรงดำรงสติมัน่นกำหนดรู้อยู่ที่องค์ภาวนาหรือลมหายใจรวมเป็นหนึ่งเดียวประสานกายจิตสติธรรมะ วิริยะสมาธิสติปัญญาภาวนาเกิดแล้วก็นั่งดูศึกษาความละเอียดภายในใจอนุสัยรากเงาทับทมมากี่พบภูมิชาวุ่นวายสงบ กุศลอกุศลเกิดดำขาวเย็นร้อนอ่อนแข็งใจรู้หมดแล้วต่อไปพอลืมตามองด้วยใจเห็นด้วยใจหลับตาก็เห็นด้วยใจมองด้วยใจแต่คนธรรมดาปุถุชนรู้แค่ว่ามองด้วยตา เห็นแค่ตาจริงไม่รู้ใจและไม่ได้เห็นใจพระพุทธเจ้ามองนี้มองด้วยใจเห็นด้วยใจจึง่าความเมตตาพระองค์จริงแผ่ไปหมดแล้วก็หกพระองค์ไม่ได้พระองค์มองด้วยใจนะแต่ของพวกเรานี่มองด้วยตามองแค่เนี้รูปสวยก็เออหลงไหลแล้ว แต่ไม่ได้มองว่าคนนี้จิตใจเขาเป็นยังไงมองไม่เห็ น, นการภาวนาปฏิบัติโยมต้องศึกษาไปแล้วค่อยๆเรียนรู้ไปสุดท้ายสติจิตกายธรรมโยมจะเข้าใจหมดเลยนะ พอที่สุดแล้วยมจะรู้ว่าสิ่งที่รู้ทั้งหมดกายกรรมวจิกรรมมนโนกรรมจนเกิดเป็นธรรมะที่บริสุทธิก็สมควรเวลาก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้ต่อไปเราก็ไหวพระกัน